ให้พาเด็กๆมาเยอะแยะลูกเหยอนี่นนนนลูกคุณอภิชาตมีนะคนหนึ่งเคยไปฝึกที่ไหนกันมาเด็กดูเรียบร้อยอ๋อดีดีละดีละนี่ลหละเคยฝึกใช่ไหม เออดีฝึกแฟดี <ขอ S 1> นะฝึกไปแต่เด็กๆหลวงพ่อหัดฝึกตอนอายุเจ็ดขวบฝึกแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ฝึกวิปัสสนาฝึกแต่สมถะตอนเด็กๆไม่รู้จักวิปัสสนาหรอกนี่กแต่สมถะสมถะเนี่ยใจใจไม่สงบเนี่ยทำให้สงบใจไม่สบายทำให้สบาย เพิ่งมารู้จักพี่ปัศนานะอายุเยอะแล้วอายุยนะี่สบเก้าลยเมื่อปีสองห้าไปหาหลวงปู่ดูลนั่นสอนบอกให้ดูจิตตัวเองพี่ปัศนามันมีสองอนนะรู้กายแต่รู้ใจเริ่มต้นอาจจะบางคนรู้กายบางคนรู้ใจไม่เหมือนกันแล้วแต่ถนัดแต่คนที่จะรู้กายได้ดีต้องทำสมาธิก่อน กายานุปัสสนาเรียนกายานุปัสสนาแล้วยังรู้จักไหม <c oughs> อาห้าวหรอเราเรียนนิปัสสนาอะไร <c oughs> <c oughs> อ๋อดูลมหายใจนะเหรออดูไปดูลมหายใจดูลมหายใจแล้วพยายามรู้ทันใจตัวเองนะอหลวงพ่อเนะี่ยฝึกดูลมหายใจตั้งแต่อายุเจ็ดขวบฝึกอยู่ยี่สิบสองปีนะหายใจแล้วก็ที่ออกไปเที่ยวข้างนอกได้นะนี่สมามมาหัดใหม่ เวลาเราหายใจักสักพั ก, ก, ก, ก, กหนึง่งเราจะแอบไปคิดเรื่องอื่นเคยเป็นไหมถ้าหายใจแล้วมันไปคิดนะให้รู้ทันว่าใจเราไปคิดละไม่ห้ามมันไม่ห้ามนะแล้วพอใจไหลไปคิดปุ๊บ ร, รู้ว่าไหลไปคิดแล้วหายใจไปเรื่อยๆเราก็เริ่มไปเพ่งลมหายใจรู้จักเพ่งไหมใจเราเข้าไปจอนิ่งๆอยู่กับลมหายใจเราก็รู้ทันว่าเราไปเพ่งลมหายใจแล้ว หายใจไปบางครั้งรู้สึกสบายรู้สึกไหมบางครั้งรู้สึกว้าวุ่นใจวุ่นวายถ้าว่าเราสบายเราก็รู้ว่าสบายใจเราว้าวุ่นรู้ว่าว้าวุ่นนะเพราะงั้นฝึกหายใจไปแล้วใจของเราเป็นยังไงคอยรู้ทันใจหนีไปคิดก็รู้ใจเพ่งก็รู้ใจสงบใจฟุ้งซ่านใจมีความสุขใจมีความทุกข์นะให้คอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆนี่ถ้าเรารู้ทันใจชำนิชำนานแล้ว ต่อไปเราจะเริ่มลงมือปฏิบัติวิปัสนาในชีวิตจริงๆในชีวิตประจำวันการที่เราไปเข้าวัดหัดหายใจนี่เป็นเบื้องต้นเหมือนนักมวยนักมวยก่อนจะขึ้นชกบนเวทีนี่ต้องไปเข้าค่ายซ้อมก่อนไปหัดชกก็สอบไปหัดเตะก็สอบเราก็ไปหัดหายใจแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองอเรารู้ทันใจแล้วเราก็มาอยู่ในชีวิตข้างนอกนี้เช่นเราเห็น ได้ยินหนังการ์ตูนมาลนะเราอยากดูเคยอยากดูไหมนะอยากดูเรารู้ทันใจว่าอยากดูละเราไปนั่งดูโทรทัศน์นะใจเราวิ่งไปอยู่ในโทรทัศนะ์ละเรารู้ทันมัแต่เราวิ่งเข้าไปอยู่ในโทรทัศนะ์หละเพราะฉะนั้นหายใจในเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆเราก็รู้ทันใจเรารู้ทันใจเราก็ไม่อยู่กับข้างนอกเนี้ยแล้วก็ค่อยรู้ทันใจไปทั้งวันเลยคราวนีนะ้บางวิชาเราไม่อยากเรียนเคยเป็นไหม หรือชอบทุกวิชาเลยชอบทุกวิชาเท่ากันไหมหรือบางวิชาชอบมากบางวิชาไม่ค่อยชอ บ, บ, ชช อ, บอืมเนี่ยเวลาเราชอบเราไม่ชอบนะเรารู้ทันที่ใจเราอะไรที่ใจเราชอบเราก็รู้ใจเราไม่ชอบก็รู้มีพี่น้องไหมมีน้องบ้างไหมเคยอิดชาน้องไหมเออเวลาเราอิดชาน้องเราก็รู้ว่าอิดชานะ เ, เนี่ยนักปฏิบตัติต้องเป็นอย่างนี้นะ อยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละค่อยๆฝึกไปเคยเห็นไอติมอยากกินบ้างไหมอยากกินให้รู้ว่าอยากกินนะให้รู้ซะ ก, ก่อนแล้วค่อยกินทีหลัง อ, อยากดูการ์ตูนให้รู้ว่าอยากดูแล้วก็ค่อยดูทีหลังดูได้นะหลวงพ่อไม่ห้ามแต่ว่าให้ดูใจของเราก่อนรู้สึกไหมแต่ละวันเนี้รักแม่ไม่เท่ากันเคยรู้สึกไหม <laughs> ให้รู้นะวันนี้ตามใจเราเราก็รักเยอะหน่อยใช่ไหมวันไหนว่าเราเราก็รักน้อยหน่อยเคยโมโหโมแม่ไหมเออ <laughs> โมโหโเราก็รู้ว่ามโมโหนะ <laughs> เห็นไหมกรรมฐานจริงๆเนี้ยฝึกง่ายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนานะไปนั่งเพ่ง <laughs> เพ่งเพงเ่ ง, เ, ง, เ, งเอาใจสงบกันแงวไม่เรียกวิปัสสนาสัเงเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี้ยฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมอือ แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมให้รู้ทันใจของเราใจเราแอบปคิดเราก็รู้ทั น, เ, นเมื่อกี้หนีแวบ๊บหนึ่งดูออกไหมใครดูไปเรื่อยๆนะคู้ใหญ่ถ้าไดาจะแพ้เด็กนะวันนี้ <c oughs> เด็กมันเรียนไปเรื่อยๆใจลอยอีกแล้วดูออกใช่ไหมเนี่ยหัดอย่างนี้นะหัดดูใจตัวเองดูทั้งวันเลยเดี๋ยวพออายุมากๆนะจะเก่งไม่มีใครสู้ใจลอยอีกแล้ว แอบไปคิดนึกออกไหมให้รู้ทันนะรู้ทันตัวเองช่างไปหามานะเข้าเซตกันดีอย่าง5้าคน <c oughs> ในสมัยพุทธก า, า, าลนะภาษาริบุตรถ้ามีเนนหรือห้าองค์นับ่าอาหารรวดเลยเนเนนี่ไปคนกาผู้หญิงคนหนึ่งให้สามีเป็นนิมนต์พระเตรียมเตร่ยเสี้ยอาหารพระไปไปถึงวัดก็ไปบอกทาที่หน้าที่จัด จัดขิวว่าจะให้วงไหนครับนี้หมดบอกอยากได้พระมหาเราถระเท่านั้นจัดเนนมาให้ห้าอง <c oughs> โอ้แกผิดบังมากเลยจ่กดเนนพระอรหันต์ทั้งหมดเลยก็ <c oughs> เป็นพระมหาเถระ <c oughs> ใจลอยไปแล้วรู้ไหม <c oughs> ใจแอบหนีไปไม่ห้ามนะหลวงพ่อไม่ห้ามหลวงพ่อบอกเล่นๆนีที่คิดละ ดู อ, อักไหมแล้วหลวลงพ่อบอกแล้วดู อ, อักไหมถ้าหลวงพ่อบอกแล้วดูออกก็ใช้ได้ลอะอ่นี่ทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี่ใส่รอยรู้สึกไหมให้รู้อย่างนี้นะรู้ทันอายุเท่าไหร่แล้ะเนี่ยเหลอสิบเ็ดแล้วเหรอเนี่ยเก้ า, าเหรอว่าตัวใหญ่กว่าสิบเอ็ดอ้กแล้วเนี่ยเล้วเนี่ยแล้วเนี่ย เออวันนี้โตเขาเพื่อนวันนี้เล็กกว่าเพื่อนเลยเหรอกล้าไปเชิญหน้าหลวงพ่อ <c oughs> ใจลอยไปแล้วดูออกไหมหนีแวบบแต่อไป น, นี้พอใจหนีแว บ, บนะรู้ไวๆนะถ้าหากเราเห็นได้ว่าใจเราหนีแวบบเรารู้แวบบเรารู้เนี่ยไม่ต้องฝึกอย่างอื่นและ้ะฝึกรู้ทันใจรูปเดียวเลยเดี๋ยวมันก็หนีเดี๋ยวมันก็หนีเ น, หนเนี่ยมันหนีอีกแล้วรู้สึกไหมมันกระพริบปัป๊บข้างหนนะ ให้รู้ลงไปเรื่อยๆนะรู้ทนะันในที่สุดเราจะได้พบความจริงว่าใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายรู้สึกไหมใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันก็มีความสุขบางวันก็ไม่มีความสุขเดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนเนี่ยเขายังมาฉีดยาบ้างไหมมีหมอมาฉีดยาไหมที่โรงเรียนเขาบอกล่วงหน้าไหมวันไหนจะมาฉีดยาอนะไรบอกเหรอ พอได้ยินว่าพรุ่งนี้จะมาฉีดยารู้สึกยังไงดีค่ะแล้วโเก่งนี่<อ>นี่แหละบางทีก็มีการว่าไข้วัดเออแล้วชอบไหมไม่ชอบหรอวุอ้ยหลวงพ่อนะแต่ก่อนต่อครูเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะฉีดยานะจะรีบป่วยเลย <c oughs> หลวงพ่อแล้วหัวเข็มมากเลยนี่ไม่กลัวเลยเหรอ <c oughs> โอ้เก่งนี่ <c oughs> งั้นอย่าง พอรู้ว่าเขาจะฉีดยาเรากลัวนะเราก็รู้ว่ากลัวอืเคยทํากันบ้านไม่ทันบ้างไหมเออรู้สึกยังไงตอนทําไม่ทันเออแม่เราเรากลัวเนี่ยให้เราคอยรู้ใจเรานะการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากหรอกให้คอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆใจของเรามีความรู้สึกยังไงเราคอยรู้ทันการดูจิตดูใจเราดูสองอย่างนะอันหนึ่งดูความรู้สึกอย่างรู้สึกกลัวรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกอิจฉาเนี่ย รู้สึกรักข้อรักแม่บางนี้บางวันก็รู้สึกโกรธพ่อโกรธแม่แล้วให้คอยรู้ความรู้สึกของเราบ่อยๆอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากกินขนมอะไรเงี้ยให้คอยรู้ไปอีกอันหนึ่งก็คอยรู้ทันอาการของใจแต่ของเราชอบไหลแวบบแบบแวบบไปดูออกไหม น, นี่แวบบแวบบแวบบไปเรื่อยๆห้ามมันไม่ได้นะไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามนะฝึกเพื่อรู้ทันมันมั น, ไ ห, นไหลไปก็รู้ไหลไปก็รู้มีไปคิดแล้วรู้ไหม ฝ <c oughs> ึกรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะคําว่าวิปัสนาเนี่ยวิปัสนาไม่ได้แปลว่าต้องไปทําอะไรที่แปลกๆนะวิปัสนาจริงๆแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษเลยการรู้การเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะปัสนาแปลว่าการรู้การเห็นวิเนี่ยมาเติมข้างหน้านะรู้อย่างวิเศษเลยรู้อย่างยอดเยี่ยม อะไรรู้อย่างยอดเรี่ยมรู้รู้ตรงความเป็นจริงถามว่ารู้อะไรต้องรู้กายกับใจนะถ้ารู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าวิปัสนารู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยไม่ใช่วิปัสนารู้ว่าถนนนี้ชื่อถนนอะไรไม่ใช่วิปัสนาจะต้องรู้กายรู้ใจตัวเองถึงจะเรียกว่าวิปัสนารู้ว่านี่เป็นแม่เราอะไรเงี้ยไม่ใช่วิปัสนาไอ้นั้นใครๆเขาก็รู้ วิปัสนานี่คือการที่เราคอยรู้ทันใจของเรารู้ทันร่างกายของเราเมื่อกี้ใจลอยดูยออกไหมนะให้คอยรู้เรื่อยๆรู้สึกไหมชัดเกร็งๆแล้วพอหลวงพ่อไล่มาถึงนีนะ้รู้สึกไหมอตั้งนะนะนะนะแต่ตั้งวัดมาเพิ่งมีวันนี้มีลูกเสร็จจิ๋วๆอย่างงี้ ม, <laughs> มาตั้งห้าคนนั่นโตนหน่อย อายุเท่าไหร่แลเนี่ย13เหรอใจญ่ลอยแล้ววิพพสนาไม่ได้แปลว่าบังคับตัวเองนะนิพพานเนี่ยคือการที่เรารู้กายรู้ใจของตัวเองตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่แกล้งบังคับนะพวกเราหลายคนฝึกวิปัสนาด้วยการไปบังคับมันวิปัสนาจริงๆไม่ใช่การบังคับแต่การรู้ตามที่มันเป็น ใจมันหนีแวบๆแอีกแล้วดูออกไหมเรยรู้ไปอย่างที่มันเป็นถือว่าหนึ่งเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญานี่ยคือการรู้ความจริงเรามีสติคอยรู้ทันตัวเองร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตใจของเราแอบไปทำอะไรเรารู้สึกจิตใจเรามีความรู้สึกยังไงเรารู้สึกหนีแวบบอีกละวดูออกไหมให้เรารู้ทันเนี่ยเริ่มเกรงขึ้นมาอีกแล้วรู้ออไหม หลวงพ่อถึงบอกไอ้นั่งตรงนี้ต้องกล้าหาญมากใครนั่งก็เกรงอย่างนัแต่เด็กเลยใจลอยอีกแนละ้วใจลอยมาอยู่ที่ขวดนี่ใครรู้ทันตัวเองไปเยไดนะ้สนุกที่สุดหลวงพ่อจะบอกความลับอันหนึ่งให้ถ้าเรารู้ทันใจตัวเราเองได้นะต่อไปเราจะรู้ทันใจคนอื่นด้วยถูกไหมใจของใครเป็นยังไงเรารู้หมดเลย ไอ้สาวสาวหน้าไหนจะมาหลอกเรานะไม่ได้กินหรอกฝึกไว้นะกำลังจะโตเป็นดุมแล้ว <c oughs> ใจลอยไปแล้วไม่ไม่เกร็งนะรู้สึกไหม เ, เกร็งเกร็งๆทำให้สบายนะรู้สบายสบายเออให้มันผ่นะรรน อ, อนคลายนะฝึกกรรมฐานต้องผ่อนคลายนะต้องมีความสุขถ้าเมื่อไรเราฝึกกรรมฐานทำนิพนาแล้วรู้สึกเครียดเครียด รู้สึกแข็งแข็งรู้สึกเกร็งเกรงรู้สึกหนักหนักเนี่ยแสดงว่าทําผิดนะเพราะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบาเบาจิตที่เป็นกุศลมันจะอ่อนโยนนุ่มนวลไม่แข็งนะรู้สึกไหมเวลาเราลงมือกําหนดมันจะแข็งแข็งขึ้นมะาร่างกายแข็งแข็งจิตใ จ, ใจแข็งแข็งเวลาลงมือทําจริงๆนะจะต้องไม่แข็งจิตที่แข็งแขงเป็นอกุศลจิต จิตที่หนักหนักเป็นอากุศลจิตที่ทื่อทนิ่งนิ่ ง, งเป็นอากุศลเป็นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยสาดเปรียวว่องไวเบานุ่มนวลอ่อนโยน <Okay. S 1> รู้จักใจลอยหรื อ, อยังวิสุดที่สามเณร เ, เนี่ยไ <Okay. S 1> มื่อกีใจลอยใช่ไหม <Okay. S 1> นึกออกไหมเนื้สอสันเด็กสันง่ายนะพวกผู้ใหญ่ชับคิดมาก <laughs> ผู้ใหญ่จะคิดมากเนี่ยทำกรรมฐานจะทํายังไงดี ดูจิตจะดูยังไงเนี่ยดูสิเด็กๆมันดูเอาดูเอาเอานะมื่อกี้ลืมตัวเองไปแว บ, บหนึ่งแล้วเนี่ยใจลอยอีกแว บ, บหนึ่งแล้วยังกลัวอยู่ดีนะดีหลวพ่อดีใจด้วยยังเด็กเล็กๆกรูสาวไปเข้าภาวนาไปวัดขาดีละฝึกไหมเมือ่อก่อนครูบาอาจารย์จะดีใจ เจอเด็กๆ เ, เจอหนุ่มๆเข้าวัดนั้นท่านก็ดีใจหลวงพ่อเข้าไปตอนอายุยี่สิบเก้านะแต่ในวัดตอนที่เข้าไปศึกษาธรรมะสมัยนั้นมีแต่คนหกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยเข้าไปนะพวกคุณป้าทั้งหลายโอ้หนูเข้าวัดแต่อายุยังน้อยดีจังสิบเท่าไหร่แล้วล่ะยี่สิบเก้าครูบาอาจารย์จะชอบอายุน้อยๆฝึกไป ใจลอยแล้วดูสิลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหมถ้าเมื่อไหร่เราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ทําวิปนะัสสนานะศัตรูของวิปัสสนามีสองงานอันหนึ่งลืมตัวเองใจลอยไปรู้สึกไหมขณะนี้ลืมตัวเองแล้วนั่งอยู่เนี่ไม่รู้ละหมวแต่รู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดเราจะลืมตัวเราเองเนี่ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหม เนี่ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจนี่ก็ลืมอีกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมก่อนจะทำมิปัสฉนานะต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้เราจะลืมกายลืมใจตัวเองนี่พอเรารู้สึกตัวเราต้องรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราจะรู้สึกเลยไอ้ตัวที่กําลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าดูออกไหมตัวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง ดูหนังมีเดี๋ยวนี้ในโทรทัศน์มีหุ่นยนต์มีอะไรบ้างไหมสมัยหลวงพ่อมนะันมีเยอะหุ่นยนต์เยอะมีสัตว์ตลาดก็เยอะหนอยยอดมนุษย์อ่ะมนุษย์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยแต่ในตัวหนังทั้งหลายนะตัวที่ทุเรศ ท, ที่สุดเลยใครรู้ไหมซูปเปอร์แมนอะ่ะซูปเปอร์แมนสมัยโบราณอะ่ะที่ลืมมันจะนุ่งกางเกงในไว้ข้างนอกเคยเห็นไหมเห็นรูปไหมเออมันไม่เหมือนคนอื่นนะ มันบ้าๆาบาๆเนี่ยเราให้เรามีความรู้สึกนะอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกเหมือนเรากำลังนั่งดูหุ่นยนต์ตัวนี้นั่งอยู่นะสมมติว่านี่คือหุ่นยนต์ห้าตัวนะหุ่นยนต์ห้าตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้กำลังเกาหัวเกาหลังเห็มั้ยตัวนี้กำลังหัวเราะรู้สึกไหมเนี่ยนั่งดูไปนะเหมือนนั่งดูหุ่นยนต์ตัวหนึ่งดูสิหุ่นยนต์ตัวนี้กระดุกกระดิกได้ใครดูไปเรื่อยๆนะ เนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้ใจลอยแล้วดูออกไหมว่าใจลอยไปแล้ว <c oughs> ต้องสบายนะต้องดูอย่างสบายรู้สึกไหมไม่ค่อยสบายแล้ว <c oughs> เริ่มเกรงๆแล้วรู้สึกไหมเริ่มแข็งๆทื่อๆ <c oughs> ต้องผ่อนคลายนะจำไหมนะ <c oughs> ถาะ้าเมื่อไหรปฏิบัติแล้วรู้สึกแข็งๆทำผิดแน่นอนเพราะจิตที่แข็งเป็นอกุศลใจลอยแล้ว <c oughs> ใช่ไหม ออาอ่าวหุ่นยนต์ตัวนีก้กระดิกกระดิรู้สึกไหมนะคนนี้อย่าดูกายให้ดูใจนะไม่ต้องไปดูร่างกายให้ดูใจของเอง เ, เด้อเดดูจิตใจของเราจิตใจของเราวิ่งไปวิ่งมาดูออกหรือยังหนีปกแล้วรู้สึกไหมนะให้รู้ทันใจนะไม่ต้องดูกายนะคนนี้ไม่ต้องดูร่างกายเป็นหุ่นยนต์คนนี้จริตไม่เหมาะ เริ่มไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมแมว เ, เพ่งแมวต้องสบายต้องอย่างนี้สบายๆเริ่มไม่สบายแล้วรู้สึกไหมนี่หัดอย่างนี้นะหัดรู้ทันตัวเองรู้สึกไหมใจลอยแวบบ๊แบแบว๊บรู้สึกดีละนี่มากากใครล่ะลูกคุณสุวนรณีสอนบ้างไหม ดื้อไหมคนนี้สนไหมสนไห ม, มเด็กสนก็ดีเด็กซึมซึมไม่ดีหรอกไปเข้าวัดบ้างไหมเข้าคอร์สอะไรไหมอืม <c oughs> ค่อยค่ฝึกไปนะเด็กเด็กไปเรียนที่ยู่ัพุูสก็ดียู่ัพุูสสอนให้เด็กมีศีลธรรมสอนเด็กให้รู้จักการ์ตันยูอะไรอยเงีย้ยเรื่องดีค่อยคฝึกแล้วก็ค่อยคอยพัฒ น, นาไป สู่การรู้ที่แท้จริงแต่ว่าอย่าไปเข้มงวดมากนะเดี๋ยวเด็กเครียดถ้าเด็กเครียดไม่ดีกรรมาฐานทําแล้วเคร่งเครียดไม่ดีนะอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เร่งรัดมากนะเพี้ยนหลังเคดคอเครียดจิตใจเพี้ยนหูแว่วๆอะไรเงี้ยเยอะเหลือเกินต่หลังหลวงพ่อต้องมาทักแกยแย่ๆหน่อยจะเรียนกับหลวงพ่อจะไม่เป็นอย่างนั้นเพียงกับหลวงพ่อจะรู้สึกไปเรื่อยๆ ง่ายๆสบายสบายแล้วหลวงพ่อจะไม่บังคับไม่ต้องเดินท่านั้นนั่งท่านี้ไม่บังคับเลยนะหลวงพ่อจะบอกอย่างเดียวคอยรู้ทันใจตัวเองไหมหนีไปคิดแล้วรู้ไหมให้ครยรู้ทันใจตัวเองแล้วจะสบายที่สุดเลยแล้วคนนี้นั่งเหมือนหลวงพ่อตอนเด็กๆ เ, เลยนั่งท่านี้ยนึกว่าท่านี้ศูนย์ไปแล้วนะนั่งไว้นะาเดี๋ยวโตวขึ้นนั่งไม่ได้หรอกแค่ขาจะหัก เหรอโอแม่เล่นโยคะหรือเปล่าหรออ้าเดี๋ยวผู้ใหญ่ส่งกันบ้านหน่อยไม่ดูแต่เด็กขอบคุณนะพิชชานดีแล้วเป็นองพิชาติคราวนี้ดีกว่าครั้งก่อนดูออกไหมครั้งก่อนมันเสื่อมไปนิดหนึ่งแต่เสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาไม่ตกใจเสื่อมได้ก็เจริญได้จเจริญได้ก็เสื่อมได้จิตเขาสอนธรมรมะเราด้วยการจเจริญให้ดูแล้วก็เสื่อมให้ดู ถึงวันหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราหลวงพ่อสอนหมอคนหนึ่งหมออยู่นะคปรปฐมชื่อหมอนัก่อนนั้นมาเรียนอยู่พีเจ็ดเดือนสอนกนิดเดียวดูใจถึงไปเรื่อยนะเห็นใจตนเองเหมือนดูใจคนอื่นไม่ใช่ใจเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราดูอยู่แค่นี้ทำอย่างอื่นนะแต่เดิมเขาทำแต่สมถะนี่เขาเข้ามาดูใจตัวเองเรื่อยเมื่อวัน วันที่ครบรอบซูนามิ26ธันวานะเพื่อนมาหาเพื่อนนี้เป็นนักทำสมถะมาด้วยกันก่อนแบบรู้เห็นอะไรข้างนอกได้เขาก็คุยกันเพื่อนก็ถามหมอบอกว่าตอนนี้ฝึกอะไรบ้างเลยทำสมถะหรือเปล่าบอกไม่ค่อยได้ทําช่วงนี้ดูจิตเอาบอกหลวงพ่อประโมทบอกให้ดูจิตบอกดูยังไงเพื่อนถาม ดูลงไปเลยจิตนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันเองได้สารพัดเลยพอพูดคำว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยกําลังตัวนั้นพอพอดีเลยจิตรวมลงไปเลยแล้วมัก็แวกร่างกายหายไปยจิตก็แหวกสิ่งห่อหุ้มฟุ้ขึ้นมาผุดขึ้นมาแสงสว่างปรากฏขึ้นเนื้ออาโลโกอุทาปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นมันเกิดชั่วขณะเท่านั้นแว บ, บเดียว เพื่อนวุ่ยวายใหญให่เกิดอะไรขึ้นทำไมแสงสว่างพุ่งขึ้นมาแล้วพวกเทวดานี่มากันเยอะแยะเลยะพวกเทวดานุโมทนากันใหญ่ <Yeah. S 1> ทพิจริงการฝึกไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรอกให้ค่อยรู้ลงไปกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจเนี่ยมันทํางานของมันได้เองสารพัดเลยเดี๋ยวมันก็เจริญให้ดูเดี๋ยวมันก็เสื่อมให้ดูถ้าเราคิดว่าเป็นตัวเราเราก็จะเอาแต่เจริญไม่เอาเสื่อม แต่ถ้าเราเข้าใจความจริงก็คือมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเดี๋ยวมันก็เจริญเดี๋ยวมันก็เสื่อมเราเข้าใจความจริงจิตมันยอมรับความจริงเต็มเหนี่ยวนละ้วมันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มหลุดขึ้นมาช่วงขณะเดี๋ยวมันก็มาปิดใหม่นะแหวกสีหน <c oughs> ช่วงหลังๆเริ่มมีคนทําได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฝึกอย่างพวกเรานี่แหละฝึกรู้ฝึกดูไปไม่ต้องคิดเยอะคิดมากยากนานรู้ไปอย่างที่เขาเป็น รู้ไปซื่อๆรู้ไปตรงๆไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องดัดแปลกนะไมันจะเข้าใจเลยโอ้าศาสนาพูดอัศจรรย์หมอก็มาเล่าเวลาผมดูลงมานะมันโบร่โโปรเออมันเป็นอย่างนั้นแหละคือความเป็นตัวเป็นตนมันไม่มีบอกเออพอมันไม่มีความเป็นตัวเป็นตเนเนี่มันไม่มีที่รองรับความทุกข์ถ้ามันมีตัวมีตน ม, มันก็มีที่รองรับความทุกข์อยู่ ตัวนี้นานหน่อยปีเจ็ดเดือนใจลอยแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจมันทํางานของมันเองอะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวมันวิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันก็รู้สึกตัวเดี๋ยวมันก็เผลอไปรู้สึกไหมมันทําของมันเองเนี่ยเราดูใจของเราไปเรื่อยๆนะพวกเด็กๆใจของเรามันทํางานของมันเองแล้วมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานได้เองเนี่ยมันหนีไปคิดอีกแล้วแล้วมันใจลอยแบบนีง ใล่ลอยแล้วรู้สึกไหม <c oughs> แล้วพอสบตาหลวงพ่อเลยเกรงเลยรู้สึกไหม <c oughs> มันเกรงของมันเองรู้สึกไหม <c oughs> มันทําเองนะดูลงไปจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเราเลยแต่เด็กๆ เ, เรายังไม่พูดเรื่องไม่มีตัวเรานะเดี๋ยวกลัวเอฝึกไปแล้วเราจะมีความสุขเยอะ